ในปัจจุบ <ś Cyr il> <laughs> <S <s ันนี <na> ้เห็นได้ไหมบางคนบอกว่าเห็นได้เห็นได้โยดัมมันตะสสติโซมันเปสตติผู้ใดที่เห็นธรรมผู้คนนั้นเห็นตรถาคุธพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้หม่ขความไม่ได้หมายถึง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 ธรรมเป็นตัวแทงของพระสะมัมมาสัมพุทธเจา้าไม่ใช่ตัวร่างกายไม่ใช่ตัวแทงของพระ ส, ระสะมัมมาสัมพุทธเจา้าแม้่อเดเราเห็นตัวร่างกายของพระสะมัมมาสัมพุทธเจา้าถ้าอย่าถ้าเราเป็นบุคคลที่ยังไม่เห็นธรรมที่เป็นความเป็จริงเรายังไม่เห็นพระสะมัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้น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 จำได้ไหมคำที่อาตมาได้เราให้ยูมทั้งๆั้งทยูมทั้งหลายทั้งหลายเดี๋ยววันนี้เราให้ยูมทั้หทงหลายฟังตอนเชา้าเราก็อาตมาบอกว่าซ้ามพุดซ้มตามอาตมาคำไหนจำได้ไหมคำที่อาตมาบอก repeat after me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 จิตที่เห็นรูปารจะคุ้จิตที่เห็นรูปาร อ, ม, อมาจะเปรเองนอกจากจิตที่เห็นรูปารจิตที่ได้ยินสัต ด, ดาโรโได้ยินเสียง จิตที่ได้เยนได้กลีนได้กลีนกันดารุได้กลินรู้ได้กลีนลใช่ไหมจิตที่ได้กลีนคลีใช่ไหมเข้าใจรึเปล่าจิตที่ได้รู้สิกรูทจิตที่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 พวังเกิดโดยอาศัยหัต ย, ว ย, ว ย, ย, ยัวุตถุหัตยัวุตถุเข้าใจไหมหัตถยัตวุตถุวุตถุคือ Base พื้นฐานวุตถุ <laughs>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 อาจจะมาจำไได้อาจจะมาได้ได้อธิบายสัตตาโลงเสียงในเวลาได้ยิงเสียงเสียงกระทบที่ไหนหูแล้วก็โสตประสาหูหมายความว่าโสตประสะในเวลาเดียวกันเสียงกระทบที่ไหนกระทบที่ผ่าวาง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 อันที่สามอันที่สีอันที่ห้าอันที่หกอันที่เจอันที่แปดอันที่แปอันที่ก้าอันที่สิบในเวลาโยมใต้เย็นเสียงมีทั้งหมดดวงจิตสิสีทีนี้แค่สิใช่ไหมเดี๋ยวต้องมาสดวงอีกอันนี้ดดดดดดดดดสดวง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 เครื่องมือเครื่องมือเครื่องมือนอก <laughs> <laughs> ไ, มไม่ต้องใช้นอกใช่ไหมไม่ต้องหละ <laughs> ไม่สามารถเข้าใจไทยด้วยเครื่องมือต่างๆมโครสโคปไม่สามารถช่วยเมเด็นักวิทยาศาสตร์ invented ผลิตสร้างผลิตน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 ท่วมใช่ไหมทอวโมไม่ไม่ท่วมไม่ทว่วงไม่ทว่วมท่วง น, นอนหนูค่ะนอนหนูไม่ใช่มโมมะ <laughs> นับไม่ทว่วมใช่เลยในธรรมนองเดียวกันในเวลาที่เห็นรูปารโรมรูปารโมกระทบ จักุูปะาแล้วก็นายพะวังเหมือนกันตอนตอนนั้นก็วิธีเจิตเกยก็มีสิบสิบสีดวงเหมือนกันอันนี้หมายความว่าวิธีเจิวิธีจิตเกี่ยวข้องกับเกี่ยวข้องกับจักกูทวนทวนทวนเข้าใจั้ม วิธีจิดเกี่ยวข้องกับประตูประตูประตูประตูตาประตูตาที่สิบสี่ดวงอตมา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 วช้างรวแหวนค่ะชิงชิวชุงชิวชุงชวาชวาภาษาบาลีชิงวาแบบนี้สาธุจนทั้งหลาย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 แล้วก็นิโรดาสัต์ที่เป็นพระนิพพานแล้วก็มักัสมุเดียลุคัสสตวสมุเดียสตว์นิโรดาส์แล้วก็อะไรมักัสสต์ก็จะรู้และเห็นธรรมที่เป็นความเป็นจริงเหมือนกันอยู่นี้สมมุติว่าโยมทั้งหลายรู้และเห็น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 สมุนิศัสตร์เพราะฉะนั้นต้องพิจารณารูปเลดนามที่เกิดในเวลาที่เราเริ่มอยู่ในคันมันดาลิกเิงมาถ้าโยมสามารถรู้และเห็นรูปแลดนามที่เกิดดับอย่างรวดเร็วอย่างละเอียดแล้วโยมสามารถพิจารณารูปเลดนามที่เกิดตอนเย็นนี้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 ย้อนลงไปย้อนยอน้ยอนกลับพิจารณาในอดีตถ้าโยางเป็นผู้ที่มีอายุ30สมมุติว่าโยางต้องพิจารณารูปและนามที่เกิดทับ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 โยมเขา้าใจไหมโ <laughs> ยมเฮเขา้าใจนิดๆหน่อยๆโยมเขา้าใจโยมไหมเขา้าใจเดี๋ยวอาตมาจะให้จะล่าให้โยมทั้งหลายฟัง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 ในทำนองเดียวกันโยงรู้สึกอะไรที่เกิดในจิตของโยมไหมแต่ถ้าโยงสังเกตจิตของตัวเองรู้ไหมรู้ใช่ไหมพอรู้ในทำนองเดียวกันถ้าเราถ้ามีความเชื่อมโยมถ้าบุคคลนั้นเสียใจยบุคคลนี้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 ผู้นั้นจะรู้และเห็นธรรมที่ลึกซึ้งแบบนี้พระ บ, บุรสัตว์ได้รู้และเห็นรูปเล็ดนาด้วยอภิยญ์าพระ บ, บุรสัตว์ได้รู้และเห็นกามเล่ผลของกรรมด้วยอภิยญ์ยาเพราะฉะนั้นเพื่อจะสามารถพิจารณาอดีตชาติ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 แตาอย่างนั้นก็ต้องถามโยมพู้ชายหน่อยนะจำได้ใช่ไหมในปฐุมัจญาณได้บังลุปุบเบนิวาสะอิญญานในมัจจิมัจยามได้บังลุเดบัจชะคุอเบญยนด้วยปุบเบนิวาสิวาสะอเบญยนก็รู้และเห็นอดิชาติผันมาอย่าง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 อันนี้ตามคำสั่งของพระพุทธเจ้าพระ บ, บุิษสัตย์ได้รู้และเห็นดุขสั์ในปฐุมายามทุขสักคือนามเ ล, ล่รู้แล้วก็ในดุติยายามยามที่สองรู้และเห็นกามเลพผลของกามใช่ไหมอันนี้เป็นสมุทญาสัต์เพราะฉะนั้นพระ บ, บุิุษสัตย์พร้อมที่จะปฏิบัติวิปัสสนาใน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 ง่ายที่เดียวไม่มีการเตรียมตัวแม้แต่ในเวลาขึ้นโปหนึ่งก็ต้องเรียนต้องอ่านต้องท่องจาต้องสอบใช่ไหมเตรียมตัวทั้งไหนเราต้องเตรียมตัวอย่างอย่างดีนะแต่เดี๋ยวนี้ทุกภาสาก็ไม่รู้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 เพราะว่าไม่มีสมาดิเพราะฉะนั้นไม่รู้ไม่เห็นรูปและนามเพราะว่าไม่มีสมาดิเพราะฉะนั้นไม่ไม่รู้ไม่เห็นกามเละผลของกรรมเพราะฉะนั้นมีจะเป็นบุคคลที่สงสัยกามเล่ผลของกรรมด้วยถ้าเป็นถ้าบัรลุศตาปฏิมักไม่เห็นไม่มีความสงสัยกามเล่หผลของกรรมแล้ว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 ปตูตาปตูหูประตูจมูกปตูลิง้งประตูกายแล้วก็ปตูจิตหทรวงประตูหกหก ห, กหกประตูต้องพิจารณาต้องพิจารณาอนิจจันตุการอนัตตาโดยเห็นความดับความเกิดดับของรูปธรรมาะแบบนี้แล้วก็ต้องพิจารณาต่อน้า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 เสียงมากกระทบเห็นรูปเห็นน้ำที่เกิดดับก็ไปที่ไหนทําอะไรก็ตามสามารถพิจารณาอนิจจารูกขันอันดับน้ำเพราะว่าเห็นความเกิดดับของรูปเล็ดน้ำตลอดเวลาเพราะฉะนั้นตอนนั้นเข้าใจว่าดินจงโกรมก็เข้าใจว่ากําลังดินจงโกรม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 ถ, ถ, ถ้าพิจารณาแบบนี้ต่อไปในที่สุดวิปัสสนาญาณเ ก, กล้ามากขึ้นอีกก็ไปถึงสังคารุปคายาณก่อนที่ไปถึงสังคารุปคายาณเพราะว่าเห็นเห็นความดาบตลอดเวลากลัวกลัวมากเพราะว่า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 จะเป็นผวังที่เป็นกุศลเนี่ยเจ้าค่ะยุงทั้งหลายก็ได้ทํากุศลมาใช่ไหมก็ได้ทําอกุศลมาด้วยใช่ไหมก็เลยเราต้องอาศัยโชคดีและโชคร้ายถ้าเราไม่เตรียมตัวก่อนโยนี้อัตมามาอธิบายเพื่อจะเตรียมตัวเมื่ออย่างนั้น กรรมดีที่ได้ทำมากรรมช่วยที่ได้ทำมาอันไหนมีกำลังอันนี้จะปรากฏเดี๋ยวธรมาจะอธิบายให้ฟังเดี๋ยวนี้ยังยังสุขภาพแข็งแรงดีมีกำลังมีกำลังกายและใจด้วยมีสติแม้แต่ในช่วงเวลานี้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 บุคคลที่โยมจะเพยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็นึกหาด้วยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องหสับบีสัตตาก็สัพบีสัตต์สัตว์ทั้งหลายค่ะสับบีปานาก็เป็นสัตว์ทั้งหลายที่มีการหายใจค่ะแกไม่ต้องไปนึกถึงชาญยาของบุคคลอ๋อค่ะขอบคุณค่ะขออนุญาตถามอีกข้อหนึ่งนะคะอาจารย์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 อย่างนั้นพวังคจิตในความฝันเนี่ยมันก็เป็นอันเดียวกันไม่ใช่ในันฝันฝันได้เกิดขึ้นได้อย่างไรน่าสนใจเป็นพวังคจถ้าเรานอนหลับสนิทไม่ฝันในเวลาขึ้นตื่นขึ้นหลับตอนนั้นฝันได้เข้าใจไหม อตอนที่นอนหลับดีนอนหลับสนิทไม่ฝันอยู่ถ้าตื่นๆนอนนอนครึงๆ <c ười> ครึงหลับครึงตื่นครึงตื่นใช่ไหมตอนนั้นเราฝันได้ดี <c ười> นี้อยากทราบว่าภวังกจิตเนี่ยมันจะไปซาะไปแสดงอยู่ในฝันยังไงคะ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 เราท่องเที่ยวในสัมสารวาัตรอย่างไม่มีสิ้นสุเพราะว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้ไม่เห็นปฏิจจสมุปบาทอันนี้เป็นคำสั่งสองของพระพุทธเจ้าเธอแลต ถ, ถาคุดเือและฉันไม่สามารถหลุดพ้นจากสัมสารวาัตเพราะว่าไม่รู้ไม่เห็นปฏิจจสมุปบาท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 <By> อ้างถึงแล้วเปาเจ้าคะอ้างถึงคำสั่งสอน อ, อ้างถึงอางิอาถึ ง, อ, ง, ถงอ้างถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่อาตมามากกีนี่ยที่ใบอัตถกดดาอธิบายไว้ถ้าไม่ไม่รู้ไม่เห็นบัิาสมุปบาทแม้จะจู้พ้นจากในสาสารวัตในฝันก็ไม่ได้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 แล้วก <S ess> ็อะไรอีกอดีตนาะจุปัอิจัาวะบหิวาอลาริกนวาสุขุมานวานวาปตานวาดูเรวาสันติกเวะทั้งหมด1ิบสี่อ